ในช่วงเย็นวันนี้ก็ช่วงสองสามสี่วันนี้เราพยายามตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องกันนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยที่มันกระโดดโล ด, ดเต้นไปมาเป็นเวลาครึ่งข้อชีวิตเนี่ยมไม่เคยตั้งใจอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องจริงๆเป็นเวลานา น, านๆนะซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเสมือนต้นไม้ก็คือต้นไม้ที่เป็นล้มลุก รุบฤดูเดียวหนึ่งหมายความว่าพอเกิดขึ้นปีหนึ่งมันก็ตายพออากาศแรงอากาศหนาวมันก็ตายไปพออากาศนี่ขึ้นมาก็สปริงขึ้นมาอีกเขาเรียงพืชฤดูเดียวแต่ต้นไม้ที่มันเป็นพืชยืนต้นมันก็จะสามารถทนได้ต่อแดดต่อฝนได้ตลอดมันก็จะมีแกน่นมีสารมีลูกมีมากมีผลมนุษย์ก็เหมือนกัน นุตทีความอดทนน้อยก็จะเป็นมนุษย์รูดูเดียวหมายก็ว่าไม่ทนต่ออ า, อารมณ์ต่างๆอารมณ์ร้อนจะจัดมาก็ลม้มตายไปอารมณ์หนาวจะจัดมาก็ลม้มตายไปเพราะได้ลมดีขึ้นก็ฟื้นขึ้นอีกเ้าเรียกว่าเป็นอารมณ์แบบลม้มลุกอันนี้ก็จะ แกมีสารมรรคผลก็จะเกิดยากแต่มนุษย์แบบยินต้นก็หมายเขาว่าไม่ว่าอารมณ์อะไรมาร้อนมาหนาวมาราคะมาโทสะโมหะโมหะมาเบื่อมาสิ่งมาก็สามารถทนได้ต่ออารมณ์นั้นได้จนกระทั่งผ่านผ่านอารมณ์ทุกเหมือนกับต้นไม้มันผ่านฤ ด, ดูการฤดูการไหนมามนก็ยินต้นอยู่ได้ นั่นเริ่มลงมาที่มันก็เริ่มปิดแก่นเป็นสารข้าใหม่ีการปฏิบรรัติทํามาหมือนกันนะเราจะเห็นว่าในมนุษย์ปัจจุบันมีมนุษย์มนุษย์ล้มลุกเยอะเหลือเกินแต่มนุษย์ชนต้นมีน้อยลงไปเรื่อยๆในป่าเนี่ยเราจะเห็นว่าพืชล้มลุกหรือวัชพืชเนี่ยมันก็จะคลุมอยู่ข้างใต้คอหน้าแรงมาก็ตายไปไฟเผาไปคอหน้าฝุนมาก็เกิดใหม่้แรงมาก็ตายไปเผาไป ก็จะเป็นปุ๋ยของพืชดินต้นพืชดินต้นมันก็จะอยู่ะจะริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าแดดมาลมมาฝนมาพายุมามันก็ต้านทานอยู่อย่างนั้นมันก็มีแก่นมีสารขึ้นนี่็นปัจจุบันเราก็เหมือนกันมนุษย์ที่มนุษย์ลมลุกนี่ก็ก็เรียกว่าลมลุกคุคขานว่ากันนะว่าเรา ล, ลมคู่คู่ขานก็ จะเป็นปุ๋ยของมนุษย์ที่ดินต้นต่อไปดังนั้นเองลักษณะธรรมชาติภายนอกภายในนี่ไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ว่ามันจะต่างรูปแบบเท่านั้นเองต่างรูปแบบต่างลักษณะต่างสปีซีะฉะนั้นเองเราก็อยากจะให้จิตของเราเป็นประเภทดินต้นคือยีนใหัดต่ออารมณ์ต่าง อารมณ์ภายนอกก็เหมือนกับฤดูกาลอารมณ์ภายในเนี่ยก็เหมือนฤดูกาลภายนอกฤดูกาลภายนอกหลักๆก็จะมีสามฤดูเราจะแบ่งเป็นสี่ฤดูห้าฤดูหกฤดูก็ฤดูหลักๆก็มีสามมาแหละไหฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนนะสามฤดูทีนี้ในฤดูกาลเนี่ยปีหนึ่งมันก็มาครั้งหนึ่งนะคือฝนก็มาครั้งหนึ่งฤดูหนาวก็มาครั้งหนึ่งฤดู แรงก็มาครั้งหนึ่งปีนี้แต่ที่นี้ในอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่สามฤดูนะวันมันมีตั้งหลายฤดูเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฝนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแรงเดียวเปลี่ยนเป็นหนาวคือเดี๋ยวชอบมันก็เป็นฤดูฝนเดี๋ยชังโกรธก็ไปรู้ดูแรงใช่ไหมเดี๋ยวสนุกสนานก็เป็นฤดูหนาวอ่าผ่านไปกันอย่างนี้ การที่จิตของเราผัดเปลี่ยนฤดูการไวมันมีผลดีและผลเสียผลดีก็คือทําให้จิตใจถ้าจิตใจเราทนต่ออารมณ์ทังการโหมถาอารมณ์ทั้งสามฤดูการได้จิตนั้นก็จะเติบโตไวแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นทนไม่ได้ต่ออารมณ์ฤดูการทั้งสามเนี่ยจิตนั้นก็จะล้มลุกไหวเหมือนกันนะซึ่งเราต้องสังเกตให้ดี เพราะเราเองก็เป็นมนุษย์ฤดูการที่เป็นล้มลุกหรือยืนต้นเราก็จะพยายามศึกษาเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าในช่วงที่เรานั่งตลอดหลายชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันหลได้ดูไื้เกินเนี่ยนะผ่านเข้ามาจิตแล้วผ่านไว้ลมไหม้ ยมปองเนี่ยรมไปหลายทีแล้วเว้ยรุกไปหลายครั้งแล้วนะฮะเดยวล่มเดินลุกเดินล่มเดินรุกอยู่างนั้นต้องเปลี่ยนฮะแต่ว่าพืชเนี่ยมันเปลี่ยนสปีซีมันไม่ได้คือหมายว่าอันไหนมันล่มลุกมันก็จะรุกอยู่งั้นนะมันต้องอยู่การไปยืนต้นหรอกแต่มันใช้เวลาเป็นลล้านปีพัฒนาไปยืนต้นเช่นว่าต้นไผ่เนี่ยมันก็มาจากต้นไอ้พัฒนามาจากต้นอะไรต้นอ้อต้นอ้อพัฒนาเป็นต้นเพก ต้เพกพัฒนาเป็นต้นไล่ต้นไล่พัฒนาเป็นต้นไผ่ขึ้นไปซึ่งใช้เวลานานหลายหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายพันปีมากแต่ว่าจิตของคนเราเนะี่ยสามารถพัฒนาเรื่องดุลการอยากลมลุกเนะีให้เป็นหยิต้นได้อาจจะเป็นภายในวันเดียวก็ได้นี่คือความที่พัฒนาได้เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นมนุษย์ลมลุกแต่เดี๋ยวนี้พอมาศึกษาปฏิบัติทางนี้เรากลายเป็นมนุษย์หยินต้นขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือความต่างระหว่างไอสัตว์ ชีวะชั้นต่ำกับชั้นสูงมนุษย์ของเราถือว่าเป็นชีวะชั้นสูงก็เรียกว่าชีวิตก็มีจิตวิญญาณครบถ้วนแต่เราเป็นสัตว์ชั้นต่ำเขาเรียกว่าชีวะเรียกว่าฟิสิกส์ดังนั้นเองของเราพัฒนาจากฟิสิกส์มาเป็นรูปเป็นนามมาเป็นฟอร์มมาเป็นคอนชะิเสนีมันก็เป็นสัตว์ชั้นสูงสามารถจะพัฒนาฤดูการชั้นต่ำลมลุกคุ่คันให้เป็นยิงหยกักยินโยงได้ ภายในวันเดียวก็ได้หรือภายในปีหนึ่งภายในห้าปีภายในสิบปีบางคนก็จะเป็นไม่ยินยืน้นได้กับป่าเข้าไปหกสิบเจ็สิบก็มีอันนี้แล้วแต่ว่าเรามีรูทมีรากลึกขนาดไหนในแง่ของคุณธรรมที่เราสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนะสืบทอดกันมาเพรงะนั้นเราก็ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้ดีไม่วควท้อในการปฏิบัติ ว่าเราเคยเป็นมนุษย์ล้มลุกคลานมาก่อนก็ควรจะเป็นมนุษย์ยินหยัดยืนยงสทีหนึ่งเพื่อจะได้ไปพ้นจากฤดูกาลต่างๆที่เราเคยต้องล้มลุกคลานกันมาเวลาโลภจะจัดก็ล้มไปอีกทีหนึง่งเวลากโกรธจะจัดก็ล้มอีกทีหนึง่งรุ้คือมาได้เวลาหลงจะจัดก็ล้มไปอีกเราก็ได้รับความทุกข์ตลอดเวลาในการ ลุงลูกคูคคาเนี้เขาเรียกว่าต่าสงสารนะว่ต่าสงสารหมุนไปเวียนมากับฤดูการของจิตราคะมาก็ล้มไปกับราคะโทสะมาก็ล้มไปกับโทสะโมหะมาก็ล้มไปกับโมหะล้มอย่างเงี้ยทุกข์กระจัดฟื้นขึ้นมาใหม่ออาฟื้นขึ้นใหม่าเดี๋ยวพลังของจิตโตกตามเอาเมื่อฤดูการของอารมณ์มาอีกก็ล้มกัอีกไปหมุนไปเงี้จนกระทั่งเรามาพบวิถีทางของพระพุทธเจ้า คือการมาพัฒนาจิตของเราจากที่มันเป็นจิตของวัตถาคามินีเป็นวิวัตถาคามินีวัตถาคามินีคือหมายควาเป็นไปตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์อะไรจะมาก็เป็นไปตามมันทีนี้พอเราเห็นว่าการที่เปลี่ยนจิตของเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เนี่ยมันทุกข์ไม่จบไม่สิ้นนะทุกข์แล้วทุกอีกทุกข์ซ้ำซาก แล้วก็เห็นว่าเอ๊มนุษย์เกิดมามันไม่น่าจะทุกข์แล้วนะเพราะสมัยเราเป็นสัตว์ชั้นต่ําสัตว์ชั้นกลางสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์สองเท้าสี่เท้าสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ํามาเนี่ยมันทุกข์มหาศาลไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีแล้วจะทุกข์ไปทําไมอีกเนี่ยเราก็มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นอุดมปรเพคชั้นสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายเราก็รู้จักว่าคนจะออกจากทุกข์ยังไงเราก็รู้เรียนรู้มาหมดแต่ทําไมเราไม่ออกล่ะ ดังพอใจที่จะต้องเวียนว่ายใจเกิดกับความโลบความโกรธความหลงนี่อันนี้แหละเอามาว่าเป็นสิ่งท้าทายมากนะเป็นสิ่งท้าทายมากนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาศึกษาศึกษาตัวเองถึงแม้ว่าที่แล้ ว, ลวมาเราก็ได้เข้าใจได้ศึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะหรือแม้ว่าเราเคยผ่านการพัฒนาการศึกษ า, าทั้งสมถะภาวนาการให้หานหลักการรักษาศีลและธรรมมหมดการช่วยเหลือแรงดังแต่ว่าเราก็ยังเป็นบางครั้งนะเราก็ยังตกเป็นทาสของอารมณ์อยู่เป็นทาสของอารมณ์โลภเราลองติดใจยังสนุกสนานในเรื่องที่จะยากอยู่เรายังติด ในเรื่องที่จะโกรธมีใครมาว่ามาตาหนิอินทาว่าได้อะไรเราก็ยังตอบโต้ตอ่อสู้ไฟกันอยู่เราก็ยังสนุกสนานในลังที่จะหลงก็ยังสนุกสนานในเรื่องของการอยู่การกินการเล่นการสนุกสนานในบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยนี่ก็แสดงว่าการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาของเราที่แล้วมานะไม่พอที่จะทําให้จิตของเราพ้นจากอารมณ์เหล่านี้ได้ เราต้องมาเพิ่มกำลังใหม่ก็คือว่าเพิ่มกำลังของกรรมฐานเพิ่มกำลังของอพลังจิตให้มากขึ้นให้มันอยู่พัฒนาให้มันพ้นให้มันอยู่เหนือฤดูการของจิตเหล่านี้ให้ได้นั่นก็คือเรามานั่งทำไอการมานั่งทำเนี่ยเราจะเห็นว่าฤดูการของจิตมันจะมาไวมากเพราะอะไรเพราะมันเผชิญกับของจริง แต่ชีวิตจังหวะของเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้เพเชิญ น, นะร like one, เ, เ ร, ราหลบมันไปเรื่อยๆเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เบื่อเราล่างตรงนี้เรามั่วงเราก็ไปตรงโน้นได้เราอยากตรงนี้นะมันหิวตรงนี้ก็ไปตรงไม่ชอบตรงนี้ก็ไปตรงนั้นได้แล้วหลบมันไปเรื่อยๆในชีวิตจังวันะใช่ไหมนะโดยเฉพาะอยู่ป้องเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยใช่ไหมเวลาไม่ชอบอาหารชนิดฉันก็ปรุงอาหารชนิดใหม่ขึ้นมาได้ <laughs> ไปเรื่อยๆ แต่พระต้องกินอาหารชนิดเดียวะนะ ห, หมายความว่าอาหารนั้นอร่อยนีพระบางองค์แล้วก็เทน้าลาดเลยนะเพื่อมาให้มันอร่อยเพื่อให้จิตได้หนีจากเพราะว่าไอ้ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความโลภโกรกลมก็มาจากสามอย่างควาอชอบความไม่ชอบความจึงสนานอยู่แค่นั้นแหละวนอยู่งั้นแหละพระทั้งก็เห็นว่าเราจะมา ส, สนานในสิ่งดาวนีอารมณ์ตัวนี้ ทุกคำว่าทุกคำว่าทุกคำผสมของวานเะน่ยมันไม่เบื่อหน่ายสักทีหนึ่งนะท่านก็รู้สึกเบื่อหน่ายมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่บางครั้งก็ทําเป็นท่าเบื่อหน่ายนะไม่ใช่เบื่อหน่ายจริงจนะอาจารย์ยันดาเมื่อก่อนนะท่านบินเาบาดมาได้อาหารอร่อยๆท่านเทน้ําร้อเลยนะเ <c oughs> พราะว่าทำลายรดวันนึงนะลถมันทําให้เกิดควติดยิตนะรมที่ท่านเคยศึกษาเพระว่าทางท่าน แต่ท่านก็ไปไม่พ้นจากรถอยู่ดีอ น, นะเพราะทำท่าเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายจริงๆอเ่ะะวัานายเยขาเรียกว่ามันมีสองคำนะเหนื่อยหน่ายกับเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่มันเป็นอารมณ์แต่ถ้าเหนื่อยหน่ายเนี่ยมันเป็นญาณปัญญาเขาว่าเหนื่อยหน่ายท่ใช้คำว่านิพินทติอนิพินทางวิรัชติเมื่อเหนื่อยหน่ายย่อมคลายแต่ถ้าเบื่อหน่ายนี่เขาท่ใช้คําว่าอะไรนะ กูพูดจะคือไม่ช่มชื่นเนี่ยไม่แช่มชื่ น, นพยาปาทะก็ได้ที่ไม่สนุกสนานะเบือ่ออันนี้อันนี้เป็นกิเลสชนิดห น, นึ่งเพราะมันเบือ่ออันนี้มันอาจจะไปชอบอันนั้นแต่คําว่าเหนื่อยหน่ายหมเขาว่ามันไม่ชอบมันไม่เอาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าดีไม่ดีสนุกไม่สนุกรักชอบเกเรช่างมันเหนื่อยหน่ายไปหมดตรงนี้ต่าหากที่มันเป็นญาณปัญญาที่จะทำยังให้เกิดความเหนื่อยหน่าย นายอมป้องเคยคิดไหมเดี๋ยวป้องเขาจะเหน่อยหอยอย่ายยังไงต้องเหนือหน่อหนแล้วเกิดมื่อยากเกิดได้วฉันเนี่เคยคิดไหยไม่คิดจะทําไงอะถึงปฏิบัติกันนี่หละเที่ยวที่ไหน <c oughs> ถ, ถึงมาเ ป, ปรียบบอกว่าเป็นผู้หญิงบวชก็ไมี <c oughs> ยมไปอยู่วัดฝ่ายยังกกไงบอกโอ้ยเวลาคนมาทําบุญก็ มาทำเจักระเพาะมาเ็ำกีเกิดชาตินน้าจะเป็นเลยอไอ่ไหมกเกิดอีชาติหนึ่งก็ทั้งเนไม่เกิดเป็นคนเกิดเกิดเกิดเกิดเกเกิดเกิดเกิดเกเกิดเกิดเกิดเกิเกิดแบบดากเนิะเกิดเิดเกเกเกิดเิดเเกดกิดเกิดเเกิดิดเกิดเดเกิเดเกิเกิดเกิดดเกดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิเกดเ ก็ที่รลงพ่อจุฬาภะอยไหนะว่าโงอะไรแว่งงองแง่งกินกินเกศอัดนะไม่รู้รถไม่รู้จินบนขอบกระพราะพุจ้าเพศเอาไม่หมายถึงว่าไม่ใช่กกบอันนั้นนะแสดงว่าคนละเรื่องเดียวกันนั่นเอคือท่านบอกว่าอย่างนี้เห็นในกกบตัวหนึ่งไงเนาะเห็นว่าเห็นพระเนี่ยโอ้เห็นพระนิสบายเล้วเกิน ตืนเช้าก็มาไม่ต้องไปทำมาหาอินเอาบาดเข้าไปในบ้าน <c oughs> หมายถึงว่าวินถ้าบาดมากกบ่าฉันอยากจะเป็นพระาาพระก็ บ, บินถ้าบาดมาเสร็จฉันเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่เหลือบาดนะไปให้มาเออไปให้ไก่กันี่ไปเลยให้ไก่อาไก่โอ้ป็นพระนี่ก็ไม่ดีเนะี่ต้องได้เลี้ยงไก่อีกแต่ <c oughs> ได้สู้ไก่ไม่ได้เก็เป็นไก่ดียวนะเพราะไก่กินข้าวไปสักพักนึงมีหมาเร่วัดวิ่งมาไล่กัดไก่ การัดไก่จะกินออเป็นไก่นี่ก็ไม่ดีเนี่ยเป็นหมาดีกว่าเพราะว่าชนะไก่อ่าเด็กวัดเห็นว่าไอ้หมามันไปกัดไก่มันไปไล่เตะเตะหมาอ๋อเป็นหมานี่ก็ไม่ดาเป็นเด็กวัดดีกว่าเป็นเด็กวัดดีกว่าเด็กวัดมันไล่เตะหมาเหนื่อยแล้วมันก็ไปนอนเขานอนสักพักหนึ่งก็ปรากฏวันมาตอมันะเนาะมาตอมหน้าตอมตาะ มัก็ดับขานเมลวันก็รุ่หนีเป็นเด็กวัดนี่ก็ไม่ดีสู้มแมลวันไม่ได้เพงั้นแมลวันเห็นว่าเด็กวัดมันหนีไปมันก็ไปเกาะจมูกกบอทําไงกบทําไงกบก็เรียบลิ้นแผลบกินซะเลย <c oughs> เป็นมแมลวันเป็นเราดีกว่าสู้เราไม่ได้เห็นไหมอันนี้คือความยากมันก็เจอ วนอยากเป็นหน้าเปนี้อะไรที่มันดีกว่ามันก็อยากเป็นไปเรื่อยๆอยากเป็นไปเพราะฉะนั้นอย่างเราทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นคือเราเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราอยากเป็นอย่างนี้แล้วอยังไปอยากเป็นอย่างนี้ไม่ก็อยากเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ใช่ความเบื่อหน่ายแต่มันไม่ได้หยั่งใจความอยากท่านใช้คําว่าวิภาวะตัญหาใช่ไหมถ้าความอยากเราได้หยั่งใจก็เรียกการมตัฏฏา ถ้าไม่ได้อย่างใจเรียกว่าภาวะตัาหานนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อย่างใจแล้วก็ต้องการที่จะไปหาสิ่งใหม่เนี่ยเาเรื่องวิภาวะตัาหามันยังในขอบข่ายตหานหาหมดอ่ะดังนั้นเองในจุดเนี้ยเราจะทํายังไงถึงจะพ้นทั้งอยากหรือไม่อยากนะพ้นทั้งที่ชอบหรือไม่ชอบคือไม่หมายความว่าไม่ไม่อยากได้สิ่งนั้นแล้วก็ไม่อยากได้สิ่งใหม่จะเป็นอะไรอ่ะ ยังเบยจะเป็นอะไรพยายามให้มันเหน่อยยในในวัตถดศุขสารเห็นทุกข์สุสารมันจะเรลียนหวายเปลนอย่างที่พุทอยู่อ้อาวโว่ามันคิดว่าอย่างไงเป็นอะไรกบมันต้องการเป็นอะไรมันมันจะเป็นคนวะอ๋อมันก็ต้องการเปลนมันนั่นแหละเพราะขนาดอยากเป็นพระเลยยังไม่ดีใช่ไหมมันเป็นสู้ไก่ไม่ได้ไปเลี้ยงไก่ <laughs> เป็นไก่ก็ยังไม่ดีฮะเป็นเป็นหมาดีกว่าอ่เป็นหมาก็ยังไม่ดีนะเป็นเด็กวัดดีกว่าเส้นใจวัดก็ยังไม่ดีโอเป็นแมลงวันดีกว่าไปเลยวันนี้ก็ยังไม่ดีเป็นเหล่าดีกว่ายังทันแมลงวันใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกเป็นคนเพราะว่าคนกลิ่นขุ่มทำไมอันนี้นี่ถามมาเริ่มตัวที่ขุ่มนะไม่ได้เริ่มตัวที่คนเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยมาต้องบอกว่าโอเราจะทํำยังไง นะทีนี้ถ้ามาจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดส ม, มปัญญามันก็ต้องมานั่งทำที่มานั่งทำเนี่ยมันก็อดหลังเลไม่ได้มันใช่หรือเปล่าเนาะมันถูกหรือเปล่าเนาะอะไรตรงนันกะ็คิดไปนั่นทำไมมันไม่ได้ไวๆล่ะทําไมมันไม่ได้สักทีแหละมันคิดไปใช่ไหมเพราะมันอยากอะแต่ต้องบอกให้ทําเฉยๆทาซื่อๆเนี่ย มันก็ทําไปมันก็ไม่ซื่ออยู่ดีนะเป็นซื่อเป็นซื่อเป็นซื่อเออเป็นซื่อๆก็ให้ทำซื่อๆแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะไอโดยซื่อๆเนี่ยในช่วงที่เราทําเนี่ยเราสังเกตบางไหมว่าจิตของเราเนี่ยบางครั้งมันคิดบางครั้งมันก็ไม่คิดใช่ไหมในช่วงที่ไม่คิดเนี่ยมันเป็นอะไร มันก็เป็นซื่อๆ <c oughs> ก็เป็นซื่อๆ <c oughs> เห็นหรือ่าตัวซื่อๆเป็นยังไงรักษาไม่คิดอะไรไม่คิดแต่รักษาไม่ได้นานไหมไม่ได้นานเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวก็ไปเออเดี๋ยวก็ไปทีนี้จะทํายังไงให้มันไอ้ตัวซื่อๆเนี่ยอยู่ได้นานๆอันนี้คือกุญแจมันอ่าถ้าเมื่อไหร่รักษาไอ้ตัวซื่อๆได้นานๆหมายความว่านั่นแหละ ทำอะไรพยายามทาอยู่นี่ละมันก็ไม่ไดกตองนั่งฟังกตองหาตัวตัวซื่อๆเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวซื่อๆเนี่ยไม่ใช่คนามันก็มือก็มองเห็นก็ลืมตาขึ้นมอก็เห็นก็เห็นนี่เข้าใจเขามาซื่อหเอเดี๋ยวคําว่่ซื่อๆเนี่ยมันจะเหมือนอะไรดีเฉยๆเอางี้ ตามปกติเนี่ยคนเนี่ยชอบกินน้ำอะไรเราริงแต่น้ำาปล่าๆแต่ทำไมเขาไปปรุงไงปินร้อยน้ำพันน้ำเลยนะเขาจะหาวิธีเอาเงินนี่กิเลสมันยัอยากอยรวยเยอะกิเลสยังเวยก็หมายความว่าเรายังกแกงเนี่ยเราก็ยังปรุง่ะใช่ไหมเราทำไมไม่กินน้ำซื่อ กินเหมือนกันทำที่สันติทำไม่ไม่ไม่ทำไม่พระไม่ใส่อะไรต้องทำเบาๆทำเรื่องอะไรอย่างเขาปนกันเอาไม่ก็ยุกต้มสวรรค์อต้มสวัสด์ต้มซื่อๆต้มซื่อๆแล้วท่านกินทุกวันหรือเปล่ากินให้กินเ็ดวันละล้างท้องไหมอ๋ออไม่กินปกติเนี่ยไม่ใช่ล้างท้องอ่ะทุกวันถ้าให้กินอย่างเงี้ยให้ชันอย่างนั้นละไม่ทุกวันนี้ยังกินอยู่หรือเป่ากิน ออไม่ใช่แล้วอันนี้ไปบินถบาทดูคนเอามาให้เองอ๋อเลยเห็นยังบินถบาทแต่ที่ธรรมจารย์มาโยมทําต้มนิเฉยนะทุกวัน่ะ้สองปีโยมทำว่ะทํำดีที่นั่นวันเสาร์อาทิตย์โยมจะไม่ไม่ใส่บุญไม่ต่ไม่ทําบุญดักบาทเลยนะเพราะว่าคนมาทําเยอะแล้วต้มผักวันธรรมดาจะต้มเข้าวัดทุกวันเข้าวกล้องวัดไห้ถามโยมดีกว่าโยมไม่กินต้มผักตลอดเจ็ดวันเคยมีบ้างหมเจ็ดวันเ่ะออ่าแต่ กินเหมือนกันลหละแต่ยังไม่ถึงเจ <c oughs> ็ดเห็นไหมถ้าถ้าอยู่ในการเนี่ยนะั้นกินมไม่ใช่อยมีท่าดี <c oughs> ไม่ใช่ไม่ไ่อยมีท่าเดเคยกินมาฟัางหรือเปล่าตลอเจ็ดวันไม่กินอะไรเลยเนะี่ยมีไหมมีตอนนั้นเขาให้ร้านของ ร้านทองให้กินน้ำอ้อยเฉยไม่ไหนก็ยังมีน้ำอ้อยอ่ะให้กินน้ำซื้อไม่ไม่ให้กินอาหารใช่ก็ยังมีน้ำอ้อยอ่ะให้กินน้ำซื้อๆน้ำต้มผักตอนเราเจ็บใชไหอันนั้นหมายความว่านั่นเงินไขไขพิเศษเพื่อล้างท้องแต่กินน้ำชิ่กินน้ำต้นผักเฉยกนอาหาไม่าข้าวไม่ไรนะเก็บไปนี้ให้ทานก็น้าอ้อยให้ทานเฉยแล้ววิธีจะทาดีท็อทําทำไร หล้างสารพิษจะเปลี่ยนเซลใหม่อะไรอืมอะไรแบบมันก็มีเงื่อนไขอ่นะมันไม่ใช่ปกติของชีวิตอนะ่ะแต่ทีนี้เราต้องการทําไอ้ตัวซื่อเนี่ยเป็นปกติของชีวิตใช่ไหมคือไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าตัวซื่อเป็นปกติของชีวิตแต่ถ้ามีแต่นะมีแต่นะะเวลาเราไปซื้อน้ํามาใช้ที่บ้านหรือเลือกต่อน้ํามาใช้ที่บ้านเนะี่ยเราจะต่อน้ําแป๊บซี่โคล่ามาหรือจะต่อน้ําเปล่ามา ตอนน้าเปล่าแล้ำหนาวเติมกุลาบเทาไหร่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าน้ําทั้งหลายที่เราจะปรุงจะแต่งเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะการเฉพาะเวลาใช่ไหมแต่สิ่งที่ตลอดเวลานั้นก็คือน้ําเปล่าใช่ไหมสิ่งที่น้ําใช้ก็ดีน้ํากินก็ดีคือน้ําปล่าตลอดเวลาแต่น้ําที่เราปรุงเ่ยมันเฉพาะเรื่องเฉพาะเหลาเท่านั้นใช่ไหมเราจะกินเติมกุหลากาแฟน้ําชาอะไร ก็เฉพาะนั้นแต่ในที่สูดแเวลาจะใช้จริงๆก็กลับไปหาน้ําเปล่าไหมไหมไม่ว่าอาบกินว่าล้างว่าสบงว่าซักว่าอะไรต่างกลับไปหาน้ําเปล่าหมดใช่ไหมแน่ดังนั้นตัวรู้สึกซื่อเนี่ยก็คือน้ําเปล่าถามว่ามันจําเป็นไหมจําเป็นความรู้สึกซื่อเนี่ยถามว่ามันจําเป็นไหม มันก็จําเป็นติดถ้างอไปทางไหนเขาก็ไม่ครบกันไห <c oughs> นั้นถ้าหาชื่อนิจินไม่หมดก็ไงโคโรลาโคโรลาแต่ว่าน้ําน้ําซื่อตัวเนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะใช่ไหมอย่างสมมุติว่าโยมอยู่บ้านนอกอยากจะน้ําใสๆมากินเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปลองน้ำฝนแล้วนฝ น, นก็สกปรกแล้วใช่ไหมใช่ก็ต้องไปขุดบ่อถ้าขุดบ่อตื้นก็ไม่ได้อีก สกปรกใช่ไหถ้าขุดบ่อนึ๊กเดี๋ยวนี้บ่อนึกก็สกปรกอีกต้องเจาะบาดานน่าเห็นไหมมันจาเป็นมากมากเลยมันก็เป็นมากแต่ก่อนนี้น้ำมันขุดไม่ยากหลวงพ่อใช่โยมนี่ทำสวนผักนี่มีตรงไหนขุดไม่าใช่ทำไมไม่ลึกอ่ะเช้าตื่นขึ้นมานะเราจะวิจีหาตาร้ำจะทำไงเดินนักเกอเราจะเพิ่งไปไกลดิพูดถึงน้ำเฉยๆพึ่งหาตาน้าไปไกลเราปรุงแต่งไปกมันง่ายเออง่ายจันปรุงแต่งไม่มีอ่ะนี่เห็นไ้ ทำสร้างล่องมาได้ไหลตามเล่เล่นเล่นเลยมันแต่ก่อนนี้มันง่ายดี๋ยวนี้เขาบอกว่า น, นี่ยงฟองต้องใช้เวลาถมร่องนานเหลือเกิ น, น <laughs> ล่องมันลึกมากอ <laughs> พอเทหน่ยไหลล่นเยตอนนั้นเลยนะ <laughs> ที่พูดถึงเรื่องนี้ทมันมรู้นี่ทำรูน้นะที่พูดถึงเรื่องนี้เพื่ออะไร <laughs> เพื่อได้เห็นว่าความรู้สึกซื่อเนี่ยมันเหมือนน้ำใสๆจำเป็นที่สุด ใครว่าไม่จําเป็นไม่ได้น้ําทุกน้ําต้องเกิดจากน้ําซื่อใช่ไหมคุณจะเอาน้ําเป๊ปซี่โค้กนะ้าไปชงกาแฟได้ไหมก็ไม่ได้คุณจะเน้ําชากาแฟนะไปปรุงแกงได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเริ่มน้ําเริ่มต้นในน้ําธรรมดานี่แหละเหมือนกันไอ้ตัวรู้สึกซื่อๆนี่จําเป็นที่สุดแต่ทำํำไมคนไม่ค่อยชอบหามันคนไม่อยากจะรู้จักมันมันถึงทุกยังไงอ่ามันถึงทุกเพราะอะไรเพราะไม่ชอบตัวรู้สึกซื่อ เพราะนั้นตัวนี้เราจะใช้ศัพท์หลายอย่างนะศัพท์ท่าว่าเป็นปริสุทธิ์ที่จิตบ้างโพธิจิตบ้างอ่านใช้คําว่านอนเซนบ้างอจะเคยใช้คาําไห้นะนอนเซนบ้างคือไรเดงสาว่างอะไรพวกนี้ศัพท์เหล่านี้ยนะมันมาจากคําว่าจิตซื้อแล้วว่าคอมมอนเซนบังอะไรพวกนี้ยมันมาจากซื่อๆทั้งนั้นเลยคําเหล่าเนี้ยแต่ทีนี้ว่าเราจะทําอย่างไรรักษาไว้ได้นานหรือไม่นาน น้ำเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารักษาไม่ดีมีอะไรตกเข้าไปน้ำก็จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมมีใบไม้ใบไล่มีฝุ่นมีผงมีกากมีอะไรตกลงไปก็น้ำก็จะเปลี่ยนแปลงและมีสีมีกลิ่นมารดทัฉงนั้นมีวิธีรักษานั้นเวลาจะมาไปถามเรื่องรูปน้ำกับหลวงพ่อเทียนนถ้าไม่ได้ตอบมากเลยนะ่เอาฝาเอาเอาขวดให้ดูนั่นแหละเอาเวลาผมเปิดขวดดี่นะแล้วผมโยดขวดทิ้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้น่ น้ำอะไรนี้วะหลวงพ่ออาที w, ่ผมไม่ไม่ผมเปิดอะผมติดอะเอออาที่นี entonces, ้ก็ยูนไปยูนไปเอาไม่เห็นมันไหลเลยวะงั้นเออมันก็มีฝาหลวงพ่ออยงั้นคุณไปหาฝามาเออแค่นี้แหละเขาจะเป็นเออเนี่ยบอกว่าไอน้ําซื่อๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนเนี่ยเหมือนน้ํำในขวดเนี่ยแต่มันจะอยู่ไม่อยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ขวดมันอยู่ที่นี่ บอกไปหาตัวนี้มาโอ้โหหามาใช้เวลาตั้งหลายปีนกูจะหาได้เ <c oughs> พราะอะไรเพราะม้กงจะเอาเผออ่ะเผอเอาฝาขวดทิ้ง่งฝาขวดเนี่ย ม, มันมีกี่เกลียวโยมเบว่ามันทีจะล็อกฝาอยู่อไ ม, ม่หลายเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามมีสามเกลียวเอง แล้วกตลงหลวงพอ่อแล้วอันนั้นจะมีเงื่อนไขที่เอาให้มันปกติดิเนี่ยไหมอยู่ละสามเกลียวหมายคือว่าจิตของเราที่ตัวซื่อๆมันจะอยู่เดี๋ยสตินั้นประกอบด้วยคุณภาพสามประการประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วย ป, ป, ปัญญาถ้าสติตัวนั้นไม่ประกอบด้วยศีลไม่มีปัญญาสติตัวนั้นไม่แน่นเอาตัวซื่อๆไม่อยู่นะอดุลย์ึกมาเช่ น, นั้นเอง ไปศึกษาเรื่องตัวตัวนี้ให้ดีเราอย่าใช้คำว่าสติอย่าสมาธิปัญญาเลยใช้ว่าตัวรู้สึกซื่อเนี่ยมันง่ายดีมันสัมผัสได้ง่ายดีใช่ไหมอย่างขณะเนี้ยทุกคนมีความรู้สึกซื่ออยู่ใช่ไหมความรู้สึกซื่อเนี่ยเราจะทําให้เราสัมผัสของจริงได้ง่ายสัมผัสอะไรของจริงในครนี้ร่างกายเราล่อร้อนหนาวสัมผัสได้ใช่ไหมร่างกายเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเจ็บมากเจ็บน้อยสบายหรือไม่สบายสัมผัสได้ทันทีเลยไหมดมฟอง ไม่ต้องไปคิดเลยใช่ไหม เ, ออเห็นไหมไม่ต้องไปคิดเลยเขาถามว่าขณะนี้รู้สึกซื่อเนี่ยนี่คือตัวว่นาน้ําใสเนี่ยใสเข้าไปตรงไหนแล้วก็มองเห็นตะลุโปร่งหมดเลยใช่ไหมไปเห็นก้นหมดเลยมีปลาอี ด, ดวัวมีปูอีตัวเห็นหมดเลยแต่ถ้าน้ามันเป็นคลื่นนะ่ะใสเหมือนกันแต่มันมีคลื่นมันหมายความว่าจิตของเราซื่อเหมือนกันในขณะเดียวกัน มันก็มีตัวเวทนาที่แรงปวดมากเจ็บมากคันมากร้อนมากหนาวมากพวกนี้นะมันมีคลื่นไนอะจิตเป็นคลื่นแล้วรู้ซื่ออยู่แต่ว่ามันจินไม่ค่อยปกติมันมีคลื่นอยู่เพราะเวทนามันแรงอันที่สองรู้ซื่ออยู่แต่ว่ามันมีสิ่งลกขวัข้างนอกเสียงดังมากๆาพยายามอยู่ซื่อๆนะแต่ใครไม่รู้คุยข้างนอกเสียงดังเหลือเกิน หรือใครมาดูปรุงอาหารเผาพริกขั้วพริกกลิ่นแรงเหลือเกินนะพยายามรู้จักซื้อๆกันตัวนั้นเขาเรียกว่ามันขุนน้ำที่เราจะมองไม่เห็นก้นมันเนี่ยสองก็เลยหนึ่งมันมีคลื่นแรงสองมันขุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงไอ้ทำเปสองตัวเนี้ยเราถึงมาที่นี่อย่างไงหนึ่งก็คือพยายามออกจากสิ่งแวดล้อมที่มันจะกระทบกระเทือนไม่ให้น้ามันขุนง่าย สองวิธีการปฏิบัติก็คือเราไม่นั่งบังคับตัวเองอยู่กระทั่งบงังคับเวทนาให้มันแรงเกินจนกระทั่งว่าจิตกระเพื่อมเป็นคลื่นใช่ไหมเราก็พยายามบารบัดพอทนได้มันก็มีโอกาสที่ทั้งนิ่งสงบแล้วก็ใสก็มีโอกาสได้เห็นอะไรอยู่ข้างในน้ําใช่ไหมเห็นปูเห็นปลาเห็นกุก้งเห็นหอยเห็นผักเห็นหญ้ายอยู่ในน้าชัด หมายความวจิตเราเข้าสู่ภาวะซื่อๆนิ่งๆใสๆแล้วมันจะเห็นเวทนาทุกอย่างเล็กๆน้อยๆความคิดอารมณ์ต่างๆผ่านไปพันมาเห็นความผิดอารมณ์เหมือนปูเหมือนปลาเวทนาเนี่ยเหมือนผักเหมือนหญ้าเหมือนของตะกอนที่มันตกลงไปในในน้ำในสระนะั่นนะในบ่อเนั่นะนะมันมีทองตรงประเห็นเพราะฉะนั้นเราพยายามศึกษาดูนี้ให้ดีไอ้ตัวรู้สึกซื่อๆนี่นะแต่บางครั้งเนี่ยเรา รู้ซื่อือเนี่ยแต่สิ่งแวดล้อมเราไปอยู่ที่บ้านเนี่ยอ่าลูกไหวอย่างนั้นพอ่อไหวอย่างนี้เมียไหวอย่างนี้อ่าเพื่อนไหวอย่างนั้นมันเริ่มขุนแลใช่ไหมอ่าเริ่มขุนแลทีนี้จะทําไงน้ําขุนเนี่ยให้มันให้มันใสให้ได้เราก็ต้องเตรียมอะไรไว้เตรียมสารส้มไว้ <c oughs> <c oughs> เตรียมสารส้มมาให้ดีแต่ถ้าหากว่าน้ํานั้น ถึงแม้ว่าจะมีอะไรกระทบลงไปเนี่ยเราก็อย่าเปิดฝามัไว้เลยเก็บนในขวดเอาขวดเนี่ยไปโยนใส่ดินโยนใส่ฝุ่นโยนใส่ผมในน้ําจะขุนไหมเพราะไม่ขุนเพราะมันอยู่ในที่ของมันมมใช่ไหมมันฝาปิดเพราะนั้นต้องมีตัวนี้แค่ไม่อยากจะให้มันขุน่นตัวตัวนี้ไว้ให้ดีอย่าให้มันไหลเอาไปผสมอย่างอื่น ถ้าตั้งสติให้ดีเนี่ยใครจะ่าวอย่างไงได้บ้า น, นก็นจะจงจจบุญก็จะอะไรไงก็สตินั่นดีอยู่ยิยินก็เหมือนว่าได้ยินแหน่จิตก็ยังใสามานเดิมใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะไหวไหม ฝานี้มันเหลือเกลียวเดียวกูเหลือเกลียวเดียวได้เนี่ยจากสามเกียวนี่เหลือเกลียวเดียวแล้วมันจะขาดแล้วได้เกลียวขาดหมายความว่าไอ้เกลียวมันเริ่มหายไปเรื่อยๆใะอดทนเนี่ยนะสามขั้นนั้นเนี่ยไม่มีฝาที่ไม่มีเกลียวแล้วพอเอย่างนี่ก็หลุดไปเลยในฝาเนี้่ยความอดทนมันเหลือน้อยเข้าน้อยเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อามาว่าโอ้พระพุทธเจ้าวิเศษเหลือเกินทําไมหาเจอนะหาเรื่องเหล่านี้เจอ แล้วมนุษย์ปัจจุบันนะ่ะอวดดียังไงพวกนักจิตวิทยาพวกปิโลโซฟีอย่งางไรเนะ่ะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าน้ําไม่ฟังพระพุทธเจ้าหาพระพุทธเจ้าไปลาะใครมาก็ไม่รู้เนะีนะ่ยในพวกนี้มันโอ้โหอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันจะมาพบของจริงอย่างนี้เนะแต่โชคดีคนเอเชียตะวออกเฉียงต้ของเราได้โอกาสได้พบได้สัมผัสแต่แลราก็โชคร้ายตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะ่อ่ะเพราะอะไรเพราะศรัทธาเราไม่นิวันคง แทนที่เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อใครก็ไม่รู้นะเชื่อผีเชื่อสางเชื่อเทวดาเชื่อองค์เชื่อเจ้าเชื่อเดี๋ยวนี้ก็มึงลาไปเชื่อพญานาคทำไมถึงเชื่อองค์เชื่อเจ้าเทวดาอินพรมไปไม่รู้แหละเออมึงไทยก็เชื่อต้นไม้พรากรไปขู่ต้นไม้นักเข้าไปอีกเลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่นาเศร้าเลยนะหาโชคหาเราไม่เชื่อความโลกของเราไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเรา เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในยุควัตถุนิยมนะเพราะฉะนั้นมันก็ยากขึ้นอีกหลายเท่าดังนั้ น, น, นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็พยายามให้จิตของเราเนี่ยฟิล์ล์ฟิลเตอร์นะสายฟิลเตอร์เยอะๆก็คือพยายามตั้งสติทั้เนี้ยน้ํามันจะใสได้สารมันจะต้องเตรียมการตัวกรองเอาไว้ให้ดีมาไปเห็นไอ้เครื่องกรองน้ําชนิดใหม่นะยมเบรูแฮงหรือเปลนะ เขปักลงเนี้ยแล้วที่นี่ไอ้ในมันมีแกนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรหินหินอะไรนะคือหมายความว่าใส่น้าน้ามันจะผ่านหุ่นเนี่ยมันต้องผ่านหินตัวนั้นก่อนเขาเรียกหินอะไรหินอไาเรียกว่าธาตอมหินเนลอดเดี๋ยวที่เขาเป็นหินที่เขาผลิตเองได้นี่ที่มันมีธาตุสารอะไรกังในตัว <Sh are S 2> ใช่ไหมแพงด้วยีใช่ป <S <S เปลี่ยนแล้วเครื่องกล้องน้ําทั้งหลา ย, อลยไ อ, เอ้เลเซอร์นั่งไหนก็แพงแล้วของแอมเวองต่างเนี่ย <BMW S 1> อ่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ที่ผลิตอ่าทางยุโรปผลิตออกมาเนี่ยเขาจะมีหินพิเศษที่นนี่นะอะไรมาเพราะว่าน้ํามันผ่านหินตัวนั้นจะมีแร่มีธาตุมีไม่ใช่แอนแอนไมเลคค์เอเมซิงวอเดอร์ทั้งนั้นที่ทําคนออกมาทุกวันนี้มันทำหลายแบบ ตัวนี้สติมันน่าจะเป็นตัวนั้นนะเป็นหินตัวที่เอเ อ, เอกรองตัวนั้นเลยสติต้องสติให้เข้มแข็งนะถ้าสติไม่แข็งพอมันกรองมันเป็นคิเวเตอร์ไม่ได้นะเอเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยความเข้มแข็งของสติความเข้มแข็งของตัวซื่อๆเดี๋ยวว่าสติมันยากเลยทําตัวรู้ซื่อๆเนีน่เข้มแข็งแต่แต่ไม่ใช่ซื่อบื้อนะถ <laughs> ้ซื่อบื้อนี่มันซื่อบื้อแบบไม่มีปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่ แต่คาว่าซื่อๆเนี่ยมันคอนเทนเอาไว้ทั้งศีลสมาธิปัญญาในตัวเสร็จเขาซื่อๆนะเนียมันต้องคอนเทนในสามตัวนี้ถ้าไม่ได้คอนเทนสามตัวนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นซื่อซื่อแบบวิปัสนาซื่อๆแบบวิปัสนาซื่อๆแต่มันรู้อ่ะใช้คำว่ารู้ซื่อๆใช่ไหมไม่ใช่ซื่อๆนะอะไรนะใสใ ส, ใส่ขึ้ น, นเนาะใสขึ้นได้ใสซื่อๆนะ อะไรว่าสดใสดังนั้นก็ยังอยากจะให้ศึกษานะทําด้วยการศึกษานะไม่ได้ความเชื่อเรานะแล้วก็ไม่ได้เอาเรานะแต่ให้ศึกษาลงไปมันจะดียิ่งปัญหามากก็ยิ่งสนุกศึกษามากเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่มาต้องไปเหนือหลองไ่ยมาทําให้เกิดปัญญาเพราะต้องประสบปัญหาใช่ไหมเมื่อไปสูบปัญหาก็ได้แก้ปัญหามีอะไรมากระทบกระแทกกระทําแล้วรู้จิตเป็นยังไงมันก็เลยโอ้ ทำให้เราได้พัฒนาได้ศึกษาลึกลงไปว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นจึงอยากจะให้ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยอะไรมาดีมาชั่วอย่าไปวิตกเดือดร้อนเลยให้ถือว่าเป็นสนามการเรียนรู้เป็นห้องเรียนเพื่อพัฒนาสติปัญญาของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราจเจริญสติสมริตปัญญาไม่เข้มแข็งนะเราตกเป็นเป้เปาของ เหตุการณ์เนี่ยเราก็ทุกข์ใช่ไหมเราก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เ้าเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเป็นพัฒนาสติสมัมปชัญญาเราเป็นผู้เอาเหตุการณ์นั้นมาเป็นตัวพัฒนาปัญญาใช้เหตุการณ์นี่นะเหมือนกับมีดเนี่ยมันจะคมได้มันก็ต้องไปถูกกับไอ้สิ่งที่แข็งกว่านคือคือหินใช่ไหมหมายความจิตของเราเนี่ยจะมีปัญญาเข้มแข็งขึง้นมาได้ต้องไปเจอข้อสอบที่แข็งแข็งนะ แต่ถ้าหากว่าไปเจอข้อยสอพี่แข็งแล้วมีดมันอ่อนเนี่นะบินไปเลยฝนไฟฝนมายิ่งฝนยิ่งทู่เลยไม่ไหวเหมือนกันนะนะเพราะเหล็กมันอ่อนเอพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหล็กของเราโดยจีนของเราแข็งพอไหมที่จะไปสู้ปัญหาแข็งๆแบบนั้นนะไม่งั้นบินไปหมดเบียวไหมดเลยนะแต่ว่ามีหินอีกแบบนะไม่ต้องฝนอนะโยมเอ้ยคนโบราณนะถ้าหินแข็งๆเลยจับปาดใช้ปาดหัวเลยนะ เออเออหินที่แบบไม่ต้องใช้น้ำว่าอขาลัำแบบเออง่า ย, ง, ายง่ายนะน <c oughs> นพัฒนาไป <c oughs> ดึงอลไรอย่งเ้ยนี่ก็พัฒนาไปก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นตัวสติสมาธิปัญญาในนามของก่าซื่อเนี่ยต้องพัฒนา คือหมายความว่าต้องอยู่ต้องทำให้จิตอยู่ปัจจุบันให้นานๆอย่าไปอยู่ปอกๆแป๊บๆให้ให้อยู่ปัจจุบันให้นานๆถ้าจิตอยู่ปัจจุบันให้นานหมายควอายุของตัวซื่อเนี่ยมันจะลึกขึ้นมันจะยาวขึ้นแต่ได้อยู่ปัจจุบันปอกแป๊บๆเราไปอดีตอนาคตเนี่ยไอ้ตัวซื่อเนี่มันก็พลอยดุงดูดไปด้วยหมดไปด้วย คนนั้นบอกคเอ๊เขาเขปฏิบัติมาตั้งนานเลยทาไมมันแก้ไขไปหาไม่ได้ทําไมไม่พัฒนาก็อยู่พัฒนาไม่ได้อยู่กับตัวซื่อๆนานเท่าไหร่เนี่ยมันไปกับอดีตอนาคตหมดอ่ะยป้อมเนี่ยเราไปแจกเรื่องอาหารนิดเดียวไหลชดทันทีเลยไปทันทีเลยว่าไม่อยู่ที่นี่นานนะไปแตกเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาอยู่กับตรวนี้ไม่มีทางอื่นเลยนะ ไม่มีทางจริงๆตามที่อมาผ่านมาเนี่ยอามาก็พยายามจะหาทางอื่นนะอามาก็ไม่ยอมง่ายๆที่จะมาอยู่กับตัวซื่อๆไม่ใช่อยู่ง่ายเลยในที่สุดหาร้อยทางมาถางไม่เจอต้กลับมาหาตัวซื่อเนี่ยมันจะอยู่อย่างไงก็ต้องอยู่แล้วทีเนี้ยเจอยังอโอ้เจอแล้วทำไมเจอยังมาพูดอย่างนี้ได้เขาก็บอกนี่ไง บอกต้องบอกไม่ได้บอกเฉยๆเวลาเราสวดสัจจะขายให้เป็นกระป๋องเหมือนอาหารนี่ยโอ้ขายตั้งนานแล้วพระพุทธเจ้าเาบอกไงตุมเหหิกิจจังอาตปังอาขาตาโลตถาคตาปฏิปันาปโมขันติชายญโนมาแลพันฒนาใช่ไหมท่านทั้งหลายต้องทำเอาเองเราเป็นแต่เพียงผู้บอก ผู้ใดมีปกติทําตัวซื่อๆเป็นประจําผู้ไหนจะพ้นทุกเนี่ยฉันบอกชัดๆเลยน ะ, ะตุ้ตมเฮฮีกิจังอาตัวเขาแล้วสวดบ่อยๆนะเห็นไหมจำได้นะจําตัวได้จําไม่ ไ, ได้เลยแม้แต่หน้ามันยังบอกไม่รู้เลยว่าหน้าไหนโ <c oughs> ยมสวดกันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเวลาจะบอกจะสวด ท, ที่ะพลิกหน้ากันพูดมาทําทําไมบอกหน้าท่านหน่อยดูว่าจะจํากันได้ไหม จับพันธ์งให้โรต้าทมันอ๋อด้๋ยจำได้คาถานะคาถาเดียวเทนัโวยเพื่อนาลารายงานมันกันนิ้นหนึ่งกอพูดแทนเทศอ๋อเดี๋ยังกิๆอันนั้นในคาถาของ <มา S 1> ใครไม่ใช่คาถาไอศที่เทศจะทนกาแฟนั่นแหละของใครใครพูดหลวงพูดเขาพูดงพูดไทยยิโน ไม่ใช่คาถาเนี่ยมันมาจากใครคอยใครพูดเป็นคนแรกมอยู่ในอะไรนะขอพระพุทธเจ้าเราคุณต่างวัตถามาตมาจากกปธมสูตรต่ามาจากกับปวัตนสุสติปัญญาเกิดอะไรอ่ะอ๋อนั่นแหละคนที่พูดคํานี้ออกมาคือท่านัญญาโกธัญญะเพราะพุทธเจ้าท่านเทศเทศไปแล้วท่านเกติไงเพราะเกติอุทานขึ้นมายังกินจิสมุทิยธรรมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นมันสิ่งนั้นต้องดับมันอยู่ไม่ได้หรอกอันพูดอย่างนี้อันเข้าใจอย่างนี้นะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน อ, อ๋อเพราะฉะนั้นจะรูล้ลอะไรก็ต้องรู้ให้ละเอียดหน่อยก็ <c oughs> ฟังก็ดู ก, ก็ฟังแล้วก็ อ, าอ่านะอย่างกินจิสมุทยธรร ม, มงังสัพพันตังนิโรธธรรมมันจิตนี่เท่านั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์อันใดหนึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วมันต้องดับ นถ้าเข้าใจอย่างงี้นะถ้ามันไม่ดับมันอยู่ไม่ได้แต่ทําไมมันสมมุติความโกรธเขาดา่าเรานะมันก็ดับไปแล้วทําไมเรามาโกรธอันนี้แหละแสดงว่าเราไม่ยอมดับกับมันก็ทนบอกว่าโกรธได้ไม่ทั้งวันมันก็ไม่ทั้งวันใช่เพราะเราไปยึดมันไว้เนื้ออุปทานไม่ทั้งวันไหมมันก็ไม่ดีทั้งวันใช่เพราะฉะนั้นตัวเหตุสําคัญคือตัวอุปทานที่เราไปยึดเอาไว้เหมือนก็เดินทางไปเนี่ยก็ผ่านผ่านไป แต่บังเอื้ว่าเราไม่อยากจะผ่านเฉย น, น้ําตรงนี้สวยเหลือเกินเอากล้องไปถ่ายแชะเอาไว้ตรงนั้นคืออุปาทานคือถ่ายเอาไว้ถ่ายไว้ในใจจําเอาไว้ไอ้ตัวจําเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันก็มาคิดแล้วคิดอีกคืออุปาทานผ่านแล้วไม่ผ่านเลยเพราะเราไม่ได้อยู่กับตัวชื่อแล้วขนนั้นนะเราไปอยู่ตัวอดีตเห็นแล้วก็เข้าไปจําอ่าไปอยู่กับอนาคตไปนึกขึ้นมาดังนั้นจุดนี้มันมีอุปสรรคเยอะ นะหลวงพ่อเทียนท่านว่าไงหาวิธีหาตัวซื่อฮะท่านบอกว่าในสมัยท่านอยู่ไอเชีงยงคานเนาะใกล้เป็นน้ำโขงได้แรงท่านก็ไปขุดบ่อน้ําเนี่ยบ่อน้ําบ่อ น, อนทรายเนาะทีนี้ไอบ่อนทรายเนี่ไปเลยขุดมไม่ใช่ว่าใสๆเลยนะขุดก็ขุขขนใช่ไหมขุนก็ทำไงตักตักทิตักทิ้งตักทิงตักทิ้งใช่ขุน ยิ่งขุดหรือก็ยิ่งขุดเนอะมันผ่านดินผ่านตรงขุดทิ้งแปลว่าทิ้งเฉยเฉยอ้าวทำไมจักงมันทิ้งไงไม่เส่ได้เหรอก็มันไม่สะอาดใช่ไหมอ่าอ่าแล้วเสร็จแล้วจักไปจับงไปก็ปรากฏน้ําก็ใสขึ้นใสขึ้นใช้ทุวันก็ใสขึ้นสะอาดขึ้นสาดขึ้นท่านบอกว่าฉันใดก็ดีไอ้ตัวรู้สึกซื่อๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนน้าที่แลกออกมาจากลูมันเนี่ยมันสะอาดจิตเดิมแท้เนี่ยท่านบอกพระพัชราวิถีมันสะอาดทุกคน ทุกคนมีมีมีมีจิตเดิมแท้ที่ไหลออกมาสาดตลอดเวลาแต่เราไม่ยอมตักทิ้งไงเราเก็บมันไว้แล้วก็กินน้ําขุนทั้งทีทั้งชาติเนี่ยท่านบอกให้ตักทิ้งตักทิ้งตักทิ้งเสียดายมันนะเสียดายเสียดายความคิดอย่างที่ดีเลยฉันจะไปทําเนี่ยพวกนี้นะท่านแพนนะ้่านออกแบบมันจะทําอาหารแบบนี้นะไม่ยอมตัดทิ้งสักทีนะคิดคือนี่เปนฝันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปทาน อมันเยอะเรื่องเหล่านี้ดังนั้นลองศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะไม่ต้องเชื่อจะมาหรอกไปศึกษาดูแล้วก็ลองทําดูถ้าหากว่าไม่ทําไปทางนี้มาก็มองไม่เห็นทางอื่นนะที่จะที่จะอยู่กับตัวปัจจุบันได้เพราะเรามาก็ก็หาทางที่จะอย่างอื่นมาทดแทนมันไม่มีทางเลยก็ต้องกลับหาตัวนี้แหละแต่ว่าทําไมอเราลู้ว่ามันดีทําไมเราทิ้งเพราะปัญญาเราอยังไม่พอ ปัญญาที่ได้จะเห็นคุณค่าตัวนี้ยังไม่พอเพราะนั้นวิธีการคือเราสว่วนครัปัญญาเพราอเห็นสวา่สวงางส่วนครับปัญญาแล้วปัญญามาเห็นความสัมพัญของตัวซื่อๆดูซื่อๆไม่ต้องไปใส่เ้อมันมันมีอยู่แล้วเหมือนโยมจะไปขุดบอ่อน้ําเนี่ยโยมหาอะไรก่อนจาน้ําหาตาน้ํ า, า, าเออเดินหาถ้าเจอตาน้ำเดินหามันถ้ามีตรงไหนมีจาน้ำมันจะอุ่นหลังหลังจากนั้นทำไงมันก็ร้อนมันหลังจากนั้นได้น้ําเลยไหม ว่ขุดตรงไปมันก็เจอเออแล้วนั่นนะไอคอนที่จะขุดนันต้องใช้อะไรข้ก็ใช้เสียมที่สั้นเพราะนั้นสิ่งแรกที่สุดไม่ได้หาตาน้ําต้องหาเสียมหาจอบอ่าแต่บอกว่าเสียมจอบมีแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องหามันเตรียมไว้แล้วาอ่นั้นหมายความว่าเราจะไปหาธรรมะตัวชื่อๆเนี่ยประการแรกก็หาตาน้ําว่า พระรูปไหนสอนเรื่องนี้ต้องหาดูไปซะก่อนใช่ไหมไม่รู้พ่อแม่มพระทำอ่ะพ่อม่พระทำอันนั่นแล้วก็เพราะว่าเราแสดงว่าไม่ได้หาตาน้ําแล้วก็ขุดไปทั่วเราเงี้นเถอะไม่ไม่ขุดไปทั่วถ้าเดินต้องไม่หมายถึงว่า <c oughs> ตัวสแสวงหาทรรมะนี่ไปคนละชอนแล้วนันเนี่ยตามไม่ทัน <c oughs> อ่าไปไหนดีก็ไปนะเอะอไหนดีก็ไปไปแล้วปรากฏ ว, ว่าหาตาน้ําไม่ค่อยขุดเราไม่เจอน้ําก็มีนะอืม ่แล้วก็อ่าไม่มีก็ได้ษ่มาก้น้อยมันก็มีดีทุกองนะแต่น้คือตาน้ำตื้นมันก็ขุนสกปรกใช่ไหมแตาน้ำลึกมันก็ใสสะอาดขูดบ่อน้ำที่อยมากก็เคยทานยุงป้องอ่าเวลามาหน้าแรงเนี่ยนะโอ้ไปตักน้ำไก่เหลือเกินนู่นกลางทุ่งนะบ่อน้ำเดี๋ยวนี้เมื่อเคยมีนะเขาบอก่บ่อน้ำขุดหมดไม่ใฝเปนลยังไม่เจอเลยใช่ แต่ว่าที่ทางบ้านเรมามันเจออยู่ว่าตอนเช้าอตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปถากถากถากแลงวน่าเกลี้ยงเกลียงหอยแล้วก็มังกะละมังสาสาตึกรุมไว้แล้วดินคุมทั้งหมดมาให้มันไอ้น้ํามันออกแต่ตเช้าเราก็ไปเปิดดูถ้าตรงนี้ไอ้น้ําจับก้นกะละมังเยอะเอแสดงว่าไอ้ตรงนี้น้ําไม่ลึกอ่าถ้าไปอาคุมไว้ตรงไหนแล้ว ไอ้น้ําจับคูนกระมังน้อยหรือไม่จับเลยแสดงว่าตรงน้ํา้ำลึกเกินไปไม่ควรจะขุดบอ่อน้ําคราวนี้วิธีหาตาน้ําะอันนี้เป็นวิธีโบราณแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้ธรณีวิทยาเขาช่วงด้วยเขาสองกล้อง ด, ด, ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเขาไม่ยุาเขาไม่มายุ่งยากอย่างเราแล้วนะส่วนไม่มีอะไรนี่ครับอันนี้เราพูดถึงหาความรู้สึกซื่อๆนะเราไปลึกถึงบอ่อน้ําเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ พอบาดาเจาะลงไปให้ลึกเลยนั่นหมายความว่าเราใช้วิปัสนาถ้าใช้สมถะก็คือใช้เสียมใช้จอบใช้คุณแบบโบราณ น, รานั่นแหละคือสมถะน้ามันไม่ลึกเดี๋ยวก็แห้งแต่วิปัสนานั้นใช้เครื่องปั่นลงไปเลยนะคุณจะลึกกี่ร้อยเมตรก็ตามปั่นไปถึงเท่านั้นนั่นเรื่องวิปัสนาวิปัสนามันเข้าไปถึงลึกกว่านะเพราะการสาาวงห้ตนรู้สึกซื่อๆ ส, สว่าได้สองอย่างนี่สว่าด้วยสมถะคือใช้วิธีการอุบายต่างๆนี่แหละใช้เสียมใช้เจอบ ขุดลงไปไม่กี่เมตรอ่ะขูดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมนี่คือใช้สมรถะแต่ใช้วิปัสสนานั้นไม่ต้องใช้เสียมใช้เจอบใช้หัวเจาะเลยติดเครื่องโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าเราต้องพัฒนาตัวเครื่องตัวนี้ยก็คือความเพียรความเพียรที่เราทําต้องต่อเนื่องแต่เสียมไม่จอะเนื่งขุดเร็วๆก็หยุดก็แล้เพราะว่ามันเหนื่อยแต่เครื่องไม่จอะได้ทั้งวันโดยไม่ต้องหยุดก็ได้ใช่ไหมเหมือนกันวิปัสสนาแล้วนั่งทําได้ทั้งวันไม่ต้องหยุดก็ได้ นี่เราทำนิบาสนาความทนทานมันสูงกว่ากันเดวน้ําที่ได้มาก็เป็นน้ําที่ใสสะอาดกว่ากันใช่ไหมอันนี้คือคือหลักอั น, นเดียวกันเลยแต่ทีนี้ว่าเราหัวเจาะเราจะไหวไหมเครื่องเราจะทนทานไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าก า, ารนําปฏิบัติเนี่ยคนไหนเจาะได้ลึกคนไหนเจาะได้นานก็ได้น้ําลึกได้น้ําใสขึ้นมานะเพราะในคนอ่ะบอกว่าเรามันมีน้ําใสอยู่แล้วเนี่ยก็คือจิตเดิมแท้เนี่ย สามัญสำนึกรู้สึกซื่อๆเฉยๆมีอยู่แล้วทุกคนอะแต่ทําไมไม่อยู่กับเราได้นาน่ะเดี๋ยวก็แห้งใช่ไหมเดี๋ยวก็หายอ่ะร้อนมาหายไปแล้วหนาวมาหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ลึกพอตัวรู้สึกซื่อๆเฉยๆมันไม่ลึกพอมันเลยหายไปง่ายตาน้ําที่มันมีเป็นตาน้ําเล็กๆแค่นี้พอฤดูกาลนั้นที่ไม่ใช่ฤดูกาลมันก็แห้งไปแล้ว ขุดบอ่อใหม่แต่ถ้าหากว่าเป็นบอ่อที่ลึกแล้วเนี่ยทั้งปีทั้งชาติมันแห้งเลยหน้าแรงก็ไม่แหง้งหน้าฝนก็ไม่แหง้งตัวรู้สึกซื่อเฉยๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเจาะลงไปลึกพอนะคาว่าลึกลึกยังไงก็คือคำว่าลึกนี่หมายว่าจิตของเรานั้นเข้าไปรับรู้ต่อความรู้สึกดันได้ตลอดเวลานั่นคือความว่าลึกไม่ใช่ไปคิดเอานะคิดเท่าไหร่มันลึกไม่ใช่ แต่ว่าจิตของเราไปได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเนี่ยได้ละเอียดประณีตตลอดเวลาไม่ว่าเวทนานั้นจะอ่าละเอียดก็รู้เวทนากลางก็รู้เวทนาหยาบก็รู้บางคนจะรู้ว่าปวดขาเนี่ยเหน็บกินทั้งขาแล้วอันนี้ไปรู้แต่เวทนาหยาบแต่ขอไคําว่าเหน็บชาเนี่ยมันเรื่องปุ๊บป๊อกขึ้นขนาดนั้นไหมผมยิม้มว่าเรื่องมันตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่เราไม่เห็นมันอะเวทนาเราไม่เห็นเวทนาละเอียดอะ อันนี้เราไม่ลึกพอไงพอเราไม่เห็นเวทนาละเอียดถ้าเวทานาละเอียดเราลึกพอเนี่ยพอรู้สึกนี่หนึ่งเราก็เริ่มขยับขยี้ยั น, นใช่ไหมขยียันทีนี้ไอ้พอขยับขยื้ยนไอ้เลือนมันลมก็ผ่านพอเลือนลมผ่านมันก็เหน็บชามันก็ไม่เป็นไอ้การที่เป็นเหน็บชาเพราะเพอะเราไม่ค่อยรู้สึกตัวเราไม่ขยับขยี้ยันเลือนลมตรงนั้นมันก็ไปสตัก๊กตีพอสตัก๊กเลือดลมไม่ผ่านเสียวตรงนั้นเสียวตรงนั้นก็เกิดการตายไประยะหนึ่งสลบไป ไอ้เซลล์เมื่สรุปไปพั๊ความรู้สึกเหน็บชามก็เกิดทื่อทั้งตัวเลยแล้วก็ต้องเขย่าเขย่าให้เรื่องลงผิวผ่านเดี๋ยวก็เหน็บชามก็หายใช่ไหมอันนี้กฎเกณฑ์ของอันนี้จังมันทํางานอยู่แต่เราไปบล็อกมันไว้อะนะเพราะนั้นไอ้ตัวรู้สึกซื่อเนี่ยมีความหมายที่ลึกมากนะตั้งใช้คําว่ามัตต์ทิฏฐามัต ต, มตังโสตมัตมตังมุตตมัตตังหรือว่า เมื่อใดดูก่อนพังหิยะเมื่อใดเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อใดเธอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อใดเธอทราบหรือรู้ก็สักแต่ว่ารู้เมื่อเธอเข้าไปเห็นไปรู้ไปทราบได้สักแต่ว่าอย่างนี้นั้นเราบัญญัติว่าที่สุดของทุกไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างลังไม่มีข้างล่างไม่มีข้างบนไม่มีอดีตนั่นคือรู้สึกซื่อ ใช่ไหมแค่แสดงที we ่น <laughs> ี <Narr ate> ้ช hmm. <Blockchain> ั่วโมงเดียวพยะญาติบรรลุทําเป็นพระอรหันต์แต่อันฟอ t u จ a t น l y ีโชคร้ายเลยบอกเออผมขอบวชเขาบวชถึงไปหาผ้ามาสิบ้วตยไไ้เเออใช่เอาไปหาผ้าเอาดันไปหากองขยะผ้าเมื่อก่อนมันหาได้สองแห่งใช่ไหมหนึ่งไปหาที่ถุง ศพที่เขาห่อศพไปทิ้งสองไปหากองขยะตามที่เขาเย็บผ้าเย็บอะไรเอาเศผ้าเขาๆๆๆไปทิ้งเก็บมาเย็บๆต่อกันที่เรามากระทากระถิ น, ก, นก่นนะเอาพาหิยะดันไปหาที่กองขยะหาไปหามาเอาเขาปล่อยวัวไม่รู้อ่อนไปกินหญ้าตอนเช้าเขาก็หากินกองขยะเหมือนกันไอ้วัวไม่รู้อ่อนก็โน้ยกับคนไปหาขยะไปลังแกลูกมันก็แม่รู้อ่อนก็วิ่งชนอย่างแรงนี่ตายนี่ผ่านเลยเนี่ยอันนี้โชคร้ายหน่อย เป็นพระอาหารไม่เสียงไม่ถึงชั่วโมงอะตายเลยเนี่ยบุรุษย่าบัญญัติว่า น, นิพพานะปรามาสีสีแต่ขนาดนั้นก็ท่านก็เป็นเอตัทธะในการบรรลุธรรมได้ไวที่สุดภายในชั่วโมงเดียวแต่ว่าัยายุสั้นพระเขาโจ๋จานเอ๊ะทำไมอายุสั้นนะท่านอมีบุญวาสนาได้บรรลุก็าล้วทำไมอายุสั้นเหรอะอ้ท่านมีกรรมเมื่อหลายพันหลร้อยชาติมาแล้วเนี่ย อันเคยเกิดเป็นปลูกเศรษฐีมีเงินเป็นหนุ่มเจ้าสำรานไปเที่ยวคมคืนลูกหลายชาวบ้านแลว้วกลัวความจะแตะไ้ฆ่าทิ้งคมคืนแล้วฆ่ากขาทิ้งไอคนที่ถูกฆ่าก็จองกรรมจองเวรมาทุกพวกทุกชาติดจนกระทั่งสุดท้ายแม่บุรุษหันมันยังไม่ยอมเลยมาออกมาเกิดมาเป็นแม่ลูกแม่โคมลูกอ่อนไอหญิงคนนะั้นกะ็พี่ตายเฉยเลย น, ะ น, นี่เรานอกเหนือจากนั้นก็นยังมีกรรมนะ ดังนั้นเองเรื่องของความรู้สึกซื่อๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเราอย่าประมาททาอะไรก็ได้แต่รักษาตัวซื่อๆไว้กูจะหนักจะเหนื่อยอะไรปังตายตัวรู้ซื่อๆก็มีอยู่กูจะทุกข์ปังตายตัวรู้ซื่อๆก็มีอยู่แต่ใจเราไม่ไม่ไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นหรอกมันจะไปอยู่กับไอ้ตัวไม่รู้ซื่อๆเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นซะถ้ากลับมาอยู่ตัวซื่อไว้ๆที่สุดแตรงนั้นแล้วก็ปลอดภัย มาเลยว่าโอ้อย่างนี้เองวันนี้คุณมงกรอุทานนะครับอ้าหลวงพ่อยิ่งข้ามมือเดียวทำไมแข็งไหลกันเน่ ย, ยกเสารัโด น, นผมยังยกไม่ไวเลยก็ผมกินเสา ม, มือเนี่ยคุณไม่ได้ปฏิบัติเลยถ้าคุณปฏิบัติแล้วคุณจะมีพลังมากกว่านี้เองเพราะฉะนั้นเองจนรู้สึกซื่อเนี่ยมันจะมีพลังมากนะแต่เรามักจะไปอยู่กับความคิดมันได้อ่อนแองเงี้ยไม่กล้าอ่าไปทําอะไรหนัก กลัวเพราะความคิดหลอกเราทั้งนั้นเอามา้ทํางานได้ทั้งวันไม่เหนื่อยเพราะเราไม่ได้อยู่กับความคิดแล้วก็อยู่กับตัวสื่อทําไปสนุกไปเบินไปแล้วก็อยู่กับความรู้สึกที่เราทําอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีคิดว่าใขรจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ได้คิดคิดว่าจะหนักหรือไม่หนักทําไปก็สนุกไปแค่ น, นั้นเองเพราะย้าตัวนี้มีประโยชน์คุณค่ามหาศาลเหลือเกินแต่ทําไมเราไม่ค่อยได้หลักค่ชอบมันเท่าไหร่ ก็ราะยังไม่เกิดปัญญา <c oughs> สะดุกไยัง่าก็ต้องเสริยหาปัญญาอยากจะได้น้ําต้องหาเจาะหาเสียมอยากจะได้น้ําที่สะอาดและลึกต้องหาหอยเจาะให้เจอคือหาทั้งสมถะทั้งวิปัสนาหาแบบสมถะไม่ได้ก็หาแบบวิปัสนาเอาแบบใดแบบหนึ่งไปนะตัวรู้สึกรู้สมันจะบอกอะไรเราตรงๆเลยปวดมันก็บอกปวดสบายมันก็บอกสบายแต่เรากลับไปเป็นไอตัวปวดกลับไม่เห็นตัวปวด ไอ้ตัวรู้สึกถ้ามีอยู่แล้วมันจะเห็นตัวปวดแต่ถ้าเราไปเป็นตัวปวดแล้วตัวรู้สึกมันจะหลบอยู่ข้างหลังมันจะมีอะไรบางอยู่นะน้ําเนี่ยเห็นเห็นอย่างเงี้ยจะคิดดื่มไม่ได้นะถ้าไมเปิดตรงนี้ใช่ไหมตัวรู้สึกรู้อยู่แต่เราใช้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรกั้นอยู่นิดเดียวเนะี่ยบางนิดเดียวคือตัวไม่รู้ตัววิชาพอ ต, ตัววิชามาปั๊บตัวรู้สึกซื่อหลบทันทีเลย มันอะไรบางๆบางแสงมันนะเพราะฉะนั้นพยายามสร้างตัวรู้ขึ้นมาถึงจะรักษาตัวรู้สึกซื่อๆได้ทันทีเพราะฉะนั้นตัวรู้เท่าทานนันที่เราสร้างเนี่ยเพื่อจะไปสัมผัสตัวนั้นนะสัมผัสตัวรู้สึกซื่อเอามาใช้ได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีรู้รู้สึกสติรู้เท่าทันปั๊บเนี่ยแม้มีตัวรู้ซื่ออยู่ก็ตามแต่ใช้ไม่ทัน เพราะตัวนี้ไปบังนิดเดียวเท่านั้นเองน ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นเราจึงทาตัวนี้เยอะๆไง ล, ลึกบ่อยๆฉันใช้คำว่าลึกๆบ่อยใชค้ชคำว่าสติอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญนะอย่างไรก็ตามเอามาคิดว่าในโลกวัตถุนิยมเนี่ยพูดยังไงเขาไม่เข็าหรอกเพราะเขานึกไอ้ตัวซื่อๆเนี่ยออกมาเป็นวัตถุเอ๊ะเป็นรูปของมัอย่างเนี้ยรูปเป็นอยไหนนะมันเป็นตัวยังไงเป็นรูปมันอย่างไหนมันนึกไม่ออกเพราะตัวนี้มันเหนือเนี่ยเหนือจิตยังไงมันไม่ได้อยู่ในจิต น, นะตัวซื่อๆเนี่ย จิตมันมีแต่คิดเท่านั้นแหละแต่ตัวซื่อๆมันไม่ต้องคิดมันสัมผัสได้ทันทีเลยแต่ในภาษาจิต เ, เ, เขาใช้คำว่า conscious ซึ่งใน c o n s c i o ในความหมายขาแมันก็ไปความหมายรับรู้อารมณ์ conscious เนี่ย น, นะที่แปลว่าวิญญาณใช่ไหมแต่ว่าสติมุงที่ฝรั่งเขาก็ไม่ใช้คำว่า conscious aware หรือ m i n d f u l n e s เขาก็ไม่เกียนะเขาก็ใช้ conscious conscious mind ดังนั้นตันี้ มาว่าฝั่งตะวันตกจะสัมผัสยากอยู่เราโชคดีที่พ่อแม่เราได้ปลูกฝังนึงนี่มาเป็นหลายร้อยหลายพันปีก็ถ่ายทอดความรู้สึกซื้อๆอ่านี้ให้เราเราสัมผัสได้และเห็นคุณค่าอ่าเพราะฉะนั้นเอ๊ะก็มไม่มีอะไรเนี่ยก็ใช่ก็มันรู้สึกซื่อมันจะมีอะไรอ่ใช่ไหมน้ําซื่อๆจะไม่มีอะไ ร, ะไะไะไรว่าโอ้วันนี้แกงไม่อร่อยเลยทําไมไม่อร่อยทําไมคุณกินน้ําทํำไมคุณอร่อย ใช่ไหมแกงแกงวันนี้เติมนั่นเติมนี่คุณยังบอกว่าอร่อยแล้วน้ำไม่ได้เติมอะไรทํำไมคุณบอกว่าอร่อยล่ะเนี่ยมันหลอกเราอะใช่ไหมการปรุงแต่งมันหลอกเราจิดของเราซื่อเนี่ยมันใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนน้าธรรมดาใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่ว่ามันจะอร่อยแต่เมื่อเราหิวแต่เมื่อไม่หิวก็ไม่อร่อย